ก็จิตใจยังเป็นห่วงโลกอยู่มากเฉพาะ อ, อย่างยิ่งข้าพเจ้าหลงไหลใฝ่ายฝันในสตรีเพศเป็นที่สุดข้าพเจ้าเองก็เคยหลงไหลแล้วท่านคิดยังไงข้าพเจ้าคิดถามตัวเองว่าการที่รักสตรีนั้นรักอะไรเขาเมื่อคิดดูด้วยจิตใจอันเป็นธรรมก็พบว่ารักรูปร่างเขาเป็นประการแรกเพราะทุกทีที่ข้าพเจ้าพบสตรีรูปสวยก็นึกรักทันที แต่ถ้าพบสตรีเพศผู้อัปลักษณ์ข้าพเจ้าไม่เคยนึกรักเลยแล้วท่านคิดยังไงต่อไปอีกเมื่อแน่ชัดว่าตัวเองรักรูปสวยเช่นนี้จึงคิดต่อไปว่าความสวยคืออะไรความสวยอยู่ที่ไหนปัญหาสองข้อนี้ข้าพเจ้าคิดแล้วคิดอีกคิดจนปวดหัวทําไมละ่ะสุมานณะ์ก็เพราหาคําตอบได้อย่างลําบากยากเย็น เพื่อหาคําตอบได้อย่างลําบากยากเย็นอย่างนี้ท่านทํายังไงสุมนณะก่อนอื่นข้าพเจ้าพยายามจดจําลักษณะดวงตาที่เห็นว่าสวยที่สุดแล้วนําไปอธิบายให้เพื่อนฟังตาที่สวยต้องมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเขาก็อธิบายลักษณะดวงตาที่เขาชอบให้ข้าพเจ้าฟังข้าพเจ้าก็นำส่วนอื่นๆของร่างกายไปเสนอความเห็นจากคนหลายคน แต่ละคนก็ให้ความเห็นต่งตางๆกันไปตามที่ชอบที่จะมีความเห็นตรงกันนั้นก็มีน้อยเต็มทีเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงได้เข้าใจท่านเข้าใจว่ายังไงข้าพเจ้าเข้าใจว่าความสวยที่เป็นสากล น, นั้นไม่มีความสวยที่มีความพอใจของแต่ละคนใครชอบอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นสวยและความงามอยู่ที่ไหนนี่ก็เป็นปัญหายุ่งยากอีก ท่านว่าความงามอยู่ที่ไหนละ่ะเรื่องนี้เป็นการยากที่จะยืนยันลงไปว่าความงามอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ถ้าเราจะถือว่าความงามอยู่ที่จมูกจมูกก็ควรจะงามตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเราตัดจมูกไปวางไว้ต่างหากความงามที่จมูกก็หายไปทันทีหลังจากคิดอยู่นานข้าพเจ้าจึงได้ลงความเห็นได้ท่านลงความเห็นว่ายังไงความงามนั้นเกิดมีขึ้น ก็เมื่ออวัยวะทุกส่วนอยู่รวมกันอย่างเหมาะเจาะถ้าขาดไปแต่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งแม้ส่วนอื่นจะอยู่ครบก็ไม่งามเช่นสตรีสวยๆถ้าตัดจมูกออกซะมันก็หมดงามคนสวยๆนี่แหละถ้าเราเถือเอาหนังไปกองไว้กองหนึ่งแร่เนื้อไปกองไว้กองหนึ่งแล้มายืนมองดูอยู่ห่างๆจะไม่พบร่องรอยแห่งความสวยเลยแม้แต่น้อย เป็นความจริงทีเดียวสุมาณะท่านพูดถูกทุกอย่างก็นี่แหละเมื่อมาคิดดูอย่างถี่ท่วนแล้วข้าพเจ้าจึงลงความเห็นว่าความสวยเป็นแต่เพียงสิ่งมายาที่ฉาบอยู่ภายนอกถ้าเรามองแต่ด้านนอกด้านเดียวก็จะพบความสวยแต่ถ้ามองให้ละเอียดถี่ท่วนแล้วจะไม่พบความสวยเลยพระบรมศ า, าสดาสอนให้เรามองในสิ่งต่างๆอย่างถี่ถ่วน มองดูทุกๆด้านมองด้วยใจเป็นกลางจึงจะพบความจริงถ้ามองเพียงเผลอจะพบความหลอกลวงแล้วเกิดความเข้าใจผิดหลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงกลัวเหมือนบุรุษเดินไปตามทางในเวลาขมุกขมัวเห็นเชือกขวางทางอยู่ยังไม่ได้ดูให้ละเอียดถ้าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นงูแล้วก็เกิดความกลัว แต่ถ้าพิจารณาดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนพบความจริงว่าไม่ใช่งูแล้วเขาก็จะไม่กลัวเลยเป็นความจริงทีเดียวสุมานณะังยังมีอีกประการหนึ่งข้าเจ้าคอยฟังอยู่แล้วความงามนั้นมีอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นทำไมถึงมีอยู่ชั่วคราวละ่ะสุมณนะันาฬีจะดูงามก็เฉพาะเยาว์วัยเท่านั้นเมื่ออายุครบห้าสิบปีไปแล้วความงามก็จะหายไป ความงามมีอยู่ก็ตอนที่มีชีวิตสตรีรูป ส, สวยเมื่อตายไปแล้วความงามก็หมดไปไม่มีใครต้องการสหายเอ๋ยเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ลหลงไหลใฝ่ายฝันสตรีเพศเหมรดก่อนจึงรู้สึกสบายใจตลอดมาคำพูดของสุมานณะผู้เป็นสหายให้ความสว่างเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ทําให้ถึงกับลืมลีลาวดีได้ เพราะไม่ได้รักเธอทางรูปร่างอย่างเดียวแต่รั ก, กจิตใจอันซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีอย่างเยี่ยมยอดของเธอด้วย มณพยายามชี้แจงให้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของโลกเพื่อเกิดความเบื่อหน่ายแต่ว่าได้ผลน้อยเต็มทีเพราะจิตใจขณะ น, นี้ถูกความรักครอบงำอย่างหนานแน่นจนเหตุผลของสุมานณะไม่สามารถจะแทงทะลุเข้าไปได้แต่ดูท่าทางสุมาณพยายามอย่างเต็มที่เชื่อข้าพเจ้าเถอะเรวตตการที่จะสึกออกไปสู่โลกภายนอกนั้น ชอากลับเป็นการกระโจนลงสู่ทะเลทุกทีเดียวถึงขนาดนั้นเช่ยวเหรอสุมาณฑแน่นอนโลกนี้เต็มไปด้วยเพลิงทุกชาวโลกกำลังถูกไฟคือความหิวกระหายลาเมียจิตใจอย่างหนักทุกคนกำลังตกอยู่ในสภาพคล้ายเสือหิวคล้ายเสือหิวถูกแล้วหิวรูปหิวเสียงหิวกลิ่นหิวรสและก็หิวสัมผัส เมื่อหิวก็แสวงหาสิ่งเหล่านี้มาสนองความหิวคนเราตกเป็นทาสของความหิวพยายามหาสิ่งต่างๆมาสนองความหิวได้ก็เชื่อว่าเป็นสุขเมื่อหาไม่ได้ก็เกิดทุกข์คือควากน้ำที่ดาดอยู่บนทางชีวิตเหยียบท้าลงไปก็ต้องพบกับความเจ็บปวดระยะที่ว่างเว้นก็คือตอนยกเท้าขึ้นมาเท่านั้นตอนนี้แหละคนเข้าใจว่าสุข แต่ขณะที่ท้าลงไปว่างเว้นจากหนาำเพื่อยกขึ้นก้าวอีกเท้าหนึ่งก็กําลังเหยียบหน้ำอยู่เป็นเพราะว่าคนเราไม่ก้าวเดินสองขาพร้อมกันชีวิตจึงประสบสุขบ้างทุกบ้างสลับกันไปสหายรู้ไม่ว่าจุดมุ่งหมายใหญ่ของคนคืออะไรท่านว่าอะไรนะ่ะความสุขไงความสุขถูกแล้วจุดมุ่งหมายใหญ่ของคนคือความสุขและความสุขอยู่ที่ไหน สุขอยู่ที่ทรัพย์เป็นความเข้าใจของท่านใช่ไหมนี่เป็นความเข้าใจของทุกคนของชาวโลกทีเดียวเพราะความเข้าใจอย่างนี้นะสิจึงพากันวิ่งวุ่นแสวงหาทรัพย์ทรัพย์เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาท่านพูดถูกเมื่อได้มาก็พอใจอยู่เพียงครู่เดียวเท่านั้นหมายความว่าอะไรล่ะหมายความว่าในไม่ช้าก็เกิดความเบื่อหนายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายแล้ว ก็อยากจะได้มาอีกคนเราคิดว่าถ้าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้คงจะมีความสุขแต่เมื่อได้มาแล้วจริงๆก็ไม่เป็นสุขใจกลับโยนเอาความสุขไปไว้กับสิ่งอื่นแล้วก็พยายามควยคว้าเอามาเป็นอนุภาคนเราวิ่งตามความสุขกันตลอดเวลาแต่วิ่งไล่ไม่ ท, ทันสักทีพอจะทันความสุขก็หนีไป อ, อยู่ข้างหน้าเรื่อยไปนี่แหละ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่มีอยู่ในโลกก็แล้วที่เราเข้าใจว่าเป็นความสุขนั่นล่ะที่เราเข้าใจว่าเป็นความสุขนั้นความจริงแล้วก็คือความทุกข์น้อยลงทนนเองตัวเราก็คือก้อนทุกข์เต็มปไปด้วยความเจ็บปวดความหิวและความอ่อนเพลียและทุกขอื่นๆอีกจนนับแทบไม่ไหวเรียกว่าความทุกข์ไม่อยู่มากมายว่างั้นเถอะเจ้าว่าไม่อยู่รอบตัวเราก็ได้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบกายเรา ล้วนแต่เป็นสิ่งแก้ทุกข์ทั้งนั้นเราหาทางแก้ทุกข์กันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนประเดี๋ยวหิวก็ต้องกินอาหารประเดี๋ยวปวดหลังปวดเอวก็ต้องนอนนอนนานนักรู้สึกเมื่อยต้องลุกขึ้นทำงานทำงานไปรู้สึกเมื่อยรู้สึกเหนื่อยก็ต้องพักรู้สึกกระหายก็ต้องดื่มน้ำรู้สึกง่วงนอนก็ต้องนอนรู้สึกปวดอุจจาระก็ต้องถ่ายออก รู้สึกหิวก็ต้องกินอีกรู้สึกเหนียวตัวก็ต้องอาบน้ำเหล่านี้เป็นต้นเรื่องแก้ทุกข์ทั้งนั้นคิดคิดไปแล้วโลกเรานี้ก็คล้ายกับสิ่งหนึ่งท่านรู้ไหมว่าคล้ายกับอะไรข้าพเจ้ากาลังคอยฟังท่านบอกท่านว่าคล้ายกับอะไรคล้ายกับโรงพยาบาลไงท่านว่าโลกคล้ายกับโรงพยาบาลนั่นแะ ถูกแล้วโลกเหล่านี้คล้ายกับโรงพยาบาลใหญ่คนทุกคนป่วยป่วยด้วยโรคทุกถ้าทุกได้บําบัดก็รู้สึกสบายขึ้นคนก็เข้าใจว่าตนมีความสุขเอาเถอะถึงจะบําบัดได้ทุกชนิดทุกใหญ่ก็คือความแก่และความตายซึ่งกําลังรออยู่ข้างหน้าทุกทั้งสองนั้นไม่มีใครบําบัดได้เลย เรวัตตาสหายรักเท่าที่พูดมาทั้งหมดก็เห็นแล้วว่าเพียงลําพังตัวคนเดียวยังหนักถึงเพียงนี้แบกแทบไม่ไหวเอาเลยทีเดียวถ้ามีเมียมีลูกมีคนใช้มีนายมีเพื่อนบวกเข้าไปให้แบกอีกจะไม่หนักแย่ไปกว่านี้อีกเหรอคิดดูให้ดีนะเรวัตตาข้าพเจ้ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องส่วนตัวข้าพเจ้าเองท่านได้ฟังแล้ว อาจจะได้คิดกลับใจไม่อยากสึกก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็เล่าไปเลยสมณะข้าพเจ้าจะฟังเท่าที่พูดไปแล้วนั้นให้ข้อคิดแก่ข้าพเจ้ามากบาทีเรื่องที่จะเล่าต่อไปอาจจะให้ข้อคิดมากกว่าที่แล้วก็ได้งั้นข้าพเจ้าจะเริ่มเรื่องเลยเริ่มได้เลยสมณะเมื่อประมาณสองปีที่แล้วมาข้าพเจ้านึกรับกุลสตรีรูปงามคนหนึ่งนางอยู่ในกรุงสาวัตถีนี่แหละนางนั้นเป็นใครล่ะ นางเป็นใครอยารู้เลยรู้แต่ว่าข้าพเจ้ารักข้างเดียวเงียบๆโดยที่เธอไม่รู้ตัวก็แล้วกันเธอมาฟังธรรมที่เชตวันกับมารดาแทบทุกเวลาเย็นความรักแบบนี้ทําให้มีความสุขเมื่อได้เห็นหน้าเธอได้ยินเสียงเธอแต่พอวันใดไม่ได้เห็นหน้าดูเหมือนจะได้รับความทุกข์มากกว่าความสุขพอรู้สึกเศร้าอะไรถึงเธอต่อมา หัวใจข้าพเจ้าแทบพ่าจะแตกสลายมีอะไรเกิดขึ้นล่ะข้าพเจ้าได้ทราบว่ากุลสตรีคนนั้นได้สมรสกับปุษถีคนหนึ่งแล้วหนีไปอยู่เมืองสาเกตแล้วท่านทํายังไงข้าพเจ้ากินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่หลายเพลาในที่สุดจึงคิดถามตัวเองว่าทําไมจึงเสียใจแล้วท่านได้คําตอบไหมได้สิเรวตะท่านได้คําตอบมาว่ายังไงคําตอบที่ได้ก็คือว่า เหตุที่ต้องเสียใจเพราะข้าพเจ้าเอาใจใส่กุลสตรีคนนั้นเอาใจไปผูกยึดไว้เมื่อกุลสตรีคนนั้นไปมีสามีใจของข้าพเจ้าก็พลอยเสียไปด้วยไม่ว่าอะไรทั้งนั้นถ้าเอาใจไปใส่ไว้ไปยึดไว้เมื่อสิ่งนั้นเกิดสูญเสียไปใจเราก็พลอยเสียไปด้วยเมื่อรู้เช่นนั้นข้าพเจ้าจึงพยายามถอนใจออกจากสิ่งต่างๆไม่ยึด ไม่ถืออะไรทั้งสิ้นแม้แต่ร่างกายของเราเองซึ่งรู้สึกสบายใจดีเหมือนกันยังไงล่ะเรวตะท่านได้ฟังข้าพเจ้าพูดมาทั้งหมดนี้แล้วท่านยังคิดที่จะสึกอยู่หรือเปล่าข้าพเจ้ายังบอกไม่ได้นี่กรบกวนเวลาท่านมามากแล้วเห็นจะต้องขอลาสัทีแล้วยังไงแล้วก็ถ้าคิดจะสึกควรคิดให้ดีก่อนนะเรวัตะแล้วข้าพเจ้าจะคิดก่อนทา ขับเจ้าไปก่อน สุมณะผู้เป็นสหายแล้วจึงย้อนกลับมาหาอาจารย์อีกครั้งท่านก็ได้เทศนาให้ฟังอีกกันใหญ่ท่านประนามความสุขแบบในโลกยังหนักยิ่งกว่าสุมณะผู้เป็นสหายสิแต่สิ่งประนามนั้นยิ่งทําให้เห็นใจลีลาวดีมากขึ้นต้องใช้ความอดทนอย่างมากในการฟังโอวาทของท่านบางครั้งคิดอยากจะเถียงเหมือนกันแต่ความเคารพรับถือท่านมีมาก จึงระงับเอาไว้ได้เอาแหละเรวตะฉันไม่ให้เธอสึกท่านอาจารย์ไม่ต้องพูดอะไรทางท่านตอนนี้ฉันยังไม่ให้เธอสึกแล้วท่านอาจารย์ใจ้งข้าพเจ้าสึกได้เมื่อไหร่เรื่องนี้ยังให้คําตอบไม่ได้อยู่ที่การตัดสินใจของเธอข้าพเจ้าตัดสินใจแล้วจึงได้มาบอกเอาเธอเอาเธอกลับไปคิดอีกสองวันแล้วกลับมาบอกอีกครั้ง ออระหว่างสองวันเนี้พักอยู่ที่นี่ไม่ได้นะต้องกลับไปอยู่ที่บุพารามเอาละไปได้แล้ว กับมาถึงบุคพารามก็เข้านอนในกุฏิน้อยใต้ร่มสาระตามเดิมท่านอาจารย์ให้เวลาคิดอีกสองวันแต่ไม่มีอะไรจะต้องคิดเพราะตัดสินใจลงไปอย่างเด็ดขาดแน่นอนแล้วไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนความคิดได้นอกจากลีลาวดีคนเดียวเท่านั้นเวลานี้จิตใจเป็นคราวาจอยู่เต็มตัวเป็นพระอยู่ก็แต่เฉพาะรูปร่างเท่านั้น นอนคิดแผนการอนาคตสร้างวิมานในอากาศอย่างสบายใจอีกสองสามวันเท่านั้ น, น, นก็จะกลายเป็นสามีลีลาวดีกลายไปผู้จัดการสมบัติอันมหาศาลแทนท่านสุมังคระขราบดีอริวัตตาอริวัตตาอยู่รุกเราออยู่นั่นใครนะ่ะขราเเจ้าว่าจากรงสารพีขอเชงญท่านมา ห, หน่อยฮะ อาตมาออกมาแล้วท่านคือเรวตะใช่ไหมใช่มีอะไรเหอรอลีลาวดีให้ข้าไปเจ้าถือหนังสือนี่ม่ให้ท่านลีลาวดีเอ๊ะหนังสืออะไรมีงไงล่ะท่านหนังสือของลีลาวดีพันเรวตะรับไปด้วยเป็นนันว่าหมดหน้าที่แล้วข้าไปเจ้าขอลาลีลาวดีมีเรื่องอะไรสําคัญ น, นักหนาถึงกลับให้คนถือหนังสือมาให้แต่เดี๋ยวก็รู้หรอกถ้าจะเดา ก็คงจะเร่งให้ศึกเร็วๆท่านที่เรักพระคุรลบังสูงลีลาวดีต้องขอโทษท่านสักร้อยครั้งที่จะต้องทําให้ท่านเสียใจเพระจดหมายฉบับนี้มันคงทําให้ท่านได้รับความสะเทือนใจอย่างหนักแต่ก็ยังอุ่นใจอยู่ว่าท่านเป็นผู้อบรมทางจิตใจมามากคงจะพอบรรเทาได้ท่านคะ ลลวดีขอกราบลาท่านเข้าสู่พิธีมงคลสมรสกับสุวัฒนากุมารในปลายเดือนนี้แต่งงานลีลาวดีจะแต่งงานลีลาวดีตัดสินใจสละท่านรับเอาสุวัฒนากุมารเพราะเหตุผลอย่างเดียวคือบุญคุณของแม่ชีวิตร่างกายนี้ลีลาวดีได้มาจากแม่เป็นสมบัติของแม่ ลีลาวดีจึงมอบคืนให้ท่านจัดการตามประสงค์แต่ส่วนจิตใจนั้นเป็นของลีลาวดีโดยตรงและลีลาวดีขอมอบให้ท่านคนเดียวลีลาวดีโปรดให้อภัยแก่ลีลาวดีด้วยสําหรับอดีตที่ผ่านมาขอให้ถือว่าเป็นความฝันธรรมดาความฝันนั้นย่อมมีทั้งดีและร้ายเวลานี้เราตื่นแล้ว จงลืมมันซะลีลาวดีเกิดมามีกรรมจึงขอใช้กรรมไปก่อนจนกว่าจะหมดในชาตินี้ความรักของเราไม่สมเร็จผลสมใจในชาติหน้าขอให้เราได้พบกันอีกและขอให้ความรักของเราจงได้พลืนปราศจากอุปสรรคใดๆถ้าการลืมลีลาวดีจะทำให้ท่านสบายใจขึ้นก็จงลืมลีลาวดีซะคิดซะว่า ลีลาวดีไี้ตายไปแล้วจากโลกนี้ก็แล้วกันขอกราบลาท่านอีกเป็นครั้งสุดท้ายขอให้ท่านเจริญสุขภายใต้ร่งกาชาวพัตตลอดไปด้วยความรักและเคารพอย่างสุดลีลาวดี แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าได้อ่านข้อความเหล่านี้ความรู้สึกเลือนลางเต็มทีคล้ายกับความรู้สึกนึกคิดในความฝันอ่านจดหมายฉบับนี้อีกเป็นครั้งที่สามและที่สี่จึงแน่ใจว่าไม่ได้ฝันพอสติสัมปชัญญะกลับคืนมาความรู้สึกอย่างใหม่ก็เกิดขึ้นในใจิตใจ เป็นความโกรธแค้นชิงชังอย่างร้ายกาจถ้าหากลีลาวดีอยู่ในที่นั้นด้ว ย, ว ย, วยเห็นจะเข้าไปบีบคอธำให้าตายอย่างแน่นอนนับเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้ที่ได้รู้สึกกับรสชาติของความผิดหวังมันทำเอาแทบกลายเป็นคนวิตกจริตไปทีเดียวเราเดินงุนง่านกลับไปกลับมาเหมือนเสือติดกรงไปเถอะนะ ไปสักเดี๋ยวนี้ทั้งลีลาวดีกับสุวัฒนากุ ม, มารนั่นแหละฆ่าซะเลยข่าข่าทำไมจะต้องฆ่าเขาด้วยในเมื่อเขาไม่มีความผิดอะไรที่ควรจะรับโทษหนักเช่นนั้นเขามีสิทธิ์อันชอบรรม ที่จะจัดการกับชีวิตของเขาเมื่อไม่สมหวังและเกิดทุกข์เป็นความผิดของตัวเราเองตั้งหากถ้าเราเอาจิตใจไปใส่ไว้ในสิ่งใดเมื่อสิ่งนั้นสูญเสียไปใจเราก็เสียไปด้วยถ้าเราไม่เอาใจใส่ไว้ไม่ยึดถือไว้เราก็จะไม่เสียใจคําของสุมานณะก้องขึ้นในความรู้สึก จริงสินะสุมาณพูดถูกแล้วจะต้องพยายามถอนความรักความอะไรในลีลาวดีคืนมาให้หมดต้องข่มใจคิดว่าลีลาวดีได้ตายไปแล้วจากโลกนี้ให้เด็ดผลเลยก็ในเมื่อลีลาวดียังมีชีวิตอยู่จะลืมเธอได้ก็ต่อเมื่อเธอตายไปแล้วจริงๆเท่านั้น จดหมายถึงแม่เจ้าจดหมายของใครมีชายคนหนึ่งมาส่งให้บอกว่าเป็นจดหมายของพระพิสุเรวัตต์มีมาถึงแม่เจ้าแต่วัตต์มีจดหมายมาถึงเราได้เรื่องอะไรแม่เจ้าอ่านดูเดี๋ยวก็รู้ค่ะจริงสินะเห็นทีจะเป็นเรื่องการตัดสินใจของเรวัตตะคงจะตกลงใจศึกแน่นอนนะคะฉันก็ขอภาวนาให้เป็นอย่างนั้นศึกเมื่อไหร่ก็จะแต่งงานกันทันที ขอเวลาฉันอ่านจดหมาย ห, หน่อยนะตามสบายเถอะค่ะแม่เจ้าลีลาวดีพร้อมด้วยจดหมายฉบับนี้อัตมาขอลาไปสู่จุดหมายปลายทางที่ยังไม่ปรากฏอัตมาได้ตัดสินใจหนีจากลีลาวดีและกรุงสาวัตถีคราวนี้พราะพิจารณาเห็นแล้วว่าถ้าอยู่ที่นี่ต่อไปจะเป็นอุปสรรค ขัดขวางความสุขของลิลาวดีต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอาตมาไม่เหมาะสมกับติลาวดีด้วยประการทั้งปวงเทวตากมแต่ชาติก่อนได้ส่งให้อาตมามาเกิดเป็นจันทานเป็นที่รังเกียจเหยียดหยามของคนทั้งชมพูทวีปชะตากรรมในชาตินี้ได้ผลักดันให้อาตมากลายเป็นมหาโจน มีเบื้องหลังอันศกปรกโส ม, มอาตมาเป็นสมณะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองนอกจากบาทและจีวรอาตมากับลีลาวดีมีฐานะห่างไกลดุดฟ้าและดินค่าของอาตมาน้อยกว่าผงทั่วหลีฝ่าเท้าของเธอเมื่อพิจารณาดูสภาพของตัวเองอย่างถี่ถ้วนแล้วอาตมารู้สึกละอายใจตัวเองเหลือกเกิน จนไม่อาจจะอยู่ดูหน้าลีลาวดีและชาเมืองสาวัตถีต่อไปอีกได้จึงขอลาไปตามยถากรรมของตนทูรยวตตาทำไมคิดแบบนี้จงลืมอาตามาแล้วแต่งานกับสวัฒนกุมารเถอะเขาอยู่ในฐานะเหมาะสมกับลีลาวดีทุกประการนอกจากจะเป็นความสุขสำหรับลีลาวดีแล้ว ยังเป็นการสนองคุณของมารดาด้วยทลีลาวดียังสงสารอาตมาและปรารถนาดีต่ออาตมาก็จงแต่งงานกับสวัฒนกุมารโดยเร็วอาตมาจะเป็นสุขใจที่สุดเมื่อได้ทราบข่าวการแต่งงานของลีลาวดีแม้จะรู้ตัวว่าต่ำต้อยเลวสามและไม่อยากไฝ่สูงจนเกินศักดิ์ แต่อาตมาก็ไม่อาจจะขัดข้ามจิตใจมิให้อะไรรักต่อลีลาวดีได้อาตมายังรักลีลาวดีอยู่และจะรักไปตลอดชั่วงนิรันดรลีลาวดีเขาจะรักเธอตราบชั่วชีวิตนี้ชาตินี้ความรักของเราไม่สมปรารถนาเพราะชาติชั้นวันลนะอันต่ำต้ อ, ตอยของอาตมาเองมากิดกัน้น ชาตหน้าขอให้เราได้เกิดร่วมกันอีกอัตมาจะบแตยามสร้างบุญบา ร, รมีให้เทียบกับปีลาวดีต่อไปจงมีความสุขและสดชื่นกับครอบครัวอย่าให้ความคิดใดๆเกี่ยวกับอัตมาบารบกวนความสุขคิดซะว่าอัตมาได้ตายไปแล้วจากโลกนี้ความจริงชีวิตของอาตมา เมื่อปราศจากลีลาวดีซะแล้วก็เท่ากับตายจริงอย่าพยายามสืบถามหาอาตมาเลยไม่มีประโยชน์หรอกอาตมาจะไปให้ไกลที่สุดจักสาวถัถีและจะไม่กลับมาอีกขอลาเป็นครั้งสุดท้ายรัชั่วนิรันดรเรวตต์เรวตวต เจ้าตั้งแม่เจ้าเป็นอะไรไปคะสวนนาเจ้าจงไปที่บุคคารามไปดูที่ให้พี่สุเรวตัตรยังอยู่หรือเปล่าบอกเราได้เร็วสวนนาจะไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะแม่เจ้า พบขา้าม่เจ้าเทวตตะไปแล้วเทวตตะไปไหนไปจากบุปผารามและจะไม่กลับมาอีกสอบถามแล้วไม่มีใครทราบว่าท่านไปไหนเทวตตะท่านทิ้งลีลาวดีไปแล้วเนี่ยนะพ <c oughs> ระปรมาสสะดาจึงตรัสว่าความโศกย่อมเกิดจากความรักความกลัวย่อมเกิดจากความรักเมื่อพ้นจากความรักแล้วความโศกก็ไม่มี ความตัวก็จะมีที่ไหน สำเร็จสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเหรอลูกสุวัฒนะสำเร็จแล้วแม่จัดรูความรักของข้าไปเจ้าหนีไปจากกรุงสาวัตถีแล้วโล่งอกไปทีไม่นึกเลยว่าเจ้าจะทำงานนี้ได้สำเร็จเรื่องแค่นี้เรื่องเล็ก จ, จะตายไปแม่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากแค่กระดาษสองแผ่นเท่านั้นแต่ผลที่ได้รับยิ่งใหญ่เกินความคาดหมายกระดาษสองแผน่น สามารถทำให้ความรักของขนทั้งสองขาดสะบั้นลงอย่างสิ้นเชิง <laughs> เออแม่ขอถามอะไรหน่อยะนะสุวัฒนะถามมาเลยแม่ต้องการอยากจะรู้อะไรครับจะ้จะชี้แจงให้หายสงสัยจดหมายที่เขียนไปถึงเรวัตตะทำเป็นว่าจดหมายของรีลาวดีจนเรวัตตะเชื่อเสนอ